จเจลิญพรท่านผู้มีจิตศรัท ธ, ธามีความเยื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15มกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญตามธรรมเนียมของชาวพุทธที่มีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อในการตัดสรู้ของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงสารกทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่ สามารถนำพาให้เราทั้งหลายได้พบกับความสุขและความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ได้ตายไปจากโลกนี้แล้วด้วยการปฏิบัติตาม ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือให้ทำบุญการทำบุญนี้และเป็นการสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงบุญแปลว่าความสุขใจความเจริญใจเป็นผลที่เกิดจากการกระทำที่พระบิดาเจ้าทรง ส, งสอนให้กระทำอยู่ส0บประการด้วยกัน คือการทำความดีสิบประการเป็นการกระทำความดีในพระพุทธศาสนาถ้ากระทำตามได้ก็จะได้บุญได้บุญก็คือได้ความสุขใจได้ความเจริญทางด้านจิตใจการกระทำทั้ง1ิบประการนี้ก็มีหนึ่งคือทานแปลว่าการให้สองศีล คือการละเว้นจากการกระทำบาป 3. าภาวนาเป็นการแปลว่าเป็นการพัฒนาจิตใจ 4. การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 5. การอนุโมทนาบุญ 6. การรับใช้ผู้อื่น การเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสำมาคา k วะและการเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้อง9ก้าการแสดงธรรมสิบการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือการกระทำสิบประการของพระพุทธศาสนา เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และเห็นแล้วว่าเป็นการกระทำที่ดีที่สุดที่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของสรรโลกไม่มีการกระทำอะไรที่จะให้ความสุขได้นอกจากการกระทำทั้งสิบประการนี้การกระทำอย่างอื่นที่ ่าจจะให้ความสุขได้บ้างแต่ก็จะมีความทุกข์แถง ม, มาด้วยแต่การกระทำทางบุญกุศลนี้จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์ติดตามมาด้วยและจะอยู่กับคู่ไปกับจิตใจไม่มีใครสามารถที่จะมาพรากจากใจไปได้ ถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปแต่บุญที่เกิดจากการกระทาความดีต่างๆทั้งสิลปการนี้ <c oughs> จะติดไปกับจิตใจจะเป็นบารมีปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนให้จิตใจมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เป็นพระพุทธเจ้า หรือได้เป็นพระอาหารหันตได้เป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> บุญที่เราทำทุกวันนี้ไม่สูญเปล่าไม่หายไปไหนไม่เหมือนกับเงินทองข้าวกองต่างๆที่เราหากันมาแ ต, แต่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ไม่สามารถเอาไปกับใจได้ เวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องไปกับบุญหรือกับบาป ท, ที่ได้ทำไว้เท่านั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยดังนั้นนักบาปหรือคนชราจึงจะให้ความสำคัญ ต่อการทำบุญมากกว่าการกระทำสิ่งอื่นๆทั้งหลายแต่จะทำสิ่งอื่นทั้งหลายเท่าที่จำเป็นเช่นเราต้องประกอบอาชีพเพื่อที่จะมีปัจจัยสี่ไว้เพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการ แต่เราจะไม่ทำมากจนเกินไปทำเท่าที่จำเป็นพอที่จะให้ร่างกายนี้ไม่เดือดร้อนเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำความดีสิบประการของพระพุทธศาสนาถ้าเรามัวแต่หาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำบุญและเราก็จะไม่มีบุญติดตัวไปหลังจากที่เราตายไปแล้วชีวิตของเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าอย่างมากก็อยู่เท่าเดิมถ้าไม่ได้ทำบุญและไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญแล้วยังไปทําบาปด้วยชีวิตก็จะถดถอยตายไปก็จะเสื่อมลงไป สู่ระดับของอบายผู้ที่ทำบาก น, นั้นจิตใจตกต่งลงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรยบ้างเป็นนรกบ้างส่วนผู้ที่ทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จิตใจก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทเจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอาริย บุคคลขั้นต่างๆนี่คือบุญหรือการกระทําที่จะทําให้จิตใจของเราพัฒนาก้าวหน้าไปดังนั้นขอให้เราตั้งเป้าของชีวิตเราไว้ว่าเป้าหมายหลักของเราคือการทําบุญส่วนการหาเงินหาทอง เพื่อมาดูแลอัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นเป้าหมายที่จำเป็นที่จะต้องทำแต่จะไม่ทำมากจนเกินไปถ้าเรามีพอมีพอกินแล้วเราก็ควรที่จะมาทุ่มเทกับการทำบุญจะดีกว่า บุญทั้งสิบประการนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดเราก็ทำไปตามการละเทศะตามเหตุการณ์ตามความเหมาะสมเช่นทานการให้นี้ก็เหมาะกับผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้มากจนเกินไปควรที่จะเอาไปสงเคราะห์โลก เอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพื่อนสัตว์เดราชฉานให้เขาได้มีความสุขบ้างเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นที่จะดูแลรักษาร่างกายของตนถ้าให้ถ้าให้หมดแล้วคือไม่มีที่อะไรจะให้อีกแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหามาเพื่อเอามาให้อีกเพราะจะเสียเวลาเปล่า เพราะว่ายังมีบุญส่วนอื่นที่ยังต้องทำอีกมากต่อไปคือสิงสิงก็คือการละาการกระทาบาปทั้ง5ข้อด้วยกันคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดปรเวณีละเว้นจากการพูดปลดมดเท็ดและละเว้นจากการเสพสุรายาม นี่เป็นบุญที่เราจะต้องขยับขึ้นไปทําอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่เราได้บริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปจนหมดแล้วอย่าไปกลับไปทํางานเพื่อหาเงินหาทองเพื่อมาทําบุญอีกเพราะจะวนอยู่ในวงเวียนจะไม่ก้าวขึ้นไปสู่บุญที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้ บางคนเห็นคนอื่นเขาทำบุญนี้ด้วยเงินทองจำนวนมากก็อยากจะทำเหมือนเขาแต่ตนเองไม่มีเงินทองมากเท่ากับเขาก็เลยไปพยายามทางานทาการเพื่อหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาทำบุญด้วยเงินมากๆเหมือนคนอื่นอันนี้ไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ของทานคือการให้ ทานนี้เป็นการให้เพื่อเราจะได้ตัดความผูกพันความหวงแหนในสมบัติเท่าของเงินทองและความโลภที่อยากจะได้เงินทองเราต้องการเงินทองเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นมีมากกว่านั้นเราอยากเก็บเอาไว้เมื่อเราไม่มีเหลือที่จะให้แล้วเราก็ไม่ต้องให้แต่เราควรจะทำบุญ ขั้นต่อไปคือศีลเราควรจะหันมารักษาศีลกันถ้าเราไม่โลภไม่ต้องการหาเงินหาทองการรักษาศีลจะง่ายเพราะเท่าที่ได้ยินมาคนที่ยังโลภยังอยากได้เงินได้ทองอยู่มักจะบ่นว่ารักษาศีลยากเหลือเกินเพราะการทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองนี้มักจะต้องพูดปดอยู่เสมอถ้าไม่พูดปกดแล้ว จะไม่ได้จะขายของไม่ออกแต่ถ้าผู้ที่ได้ทำทานอย่างเต็มที่แล้วก็จะไม่มีความโลภอยากได้เงินทองก็จะไม่ยากต่อการที่จะรักษาศินและผู้ที่ให้ทานด้วยความเมตตาก็จะรักษาศินง่ายเพราะจิตใจไม่ชอบเดียดเบียนผู้อื่นชอบสงเคราะห์ผู้อื่น เมื่อได้สงคบผู้อื่นนล้วมีความสุขเวลาทำอะไรจึงระมัดระวังไม่อยากที่จะไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างง่ายดายผู้ที่รักษาศีลได้ก็จะมีบุญมีความสุขมากกับผู้ที่ทำบุญให้ทานและเมื่อรักษาศีลได้แล้วก็จะอยากที่จะ ทำบุญขั้นต่อไปพราะจะให้ความสุขมากกว่าการรักษาสีนนั่นก็คือการภาวนาการภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจให้มีความสงบ ก, การจะพัฒนาจิตใจได้ก็ต้องอาศัยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือการทําใจให้นิ่งให้สงบไม่คิดปรุงแต่ง ไม่คิดเรื่องราวต่างๆให้สักแต่ว่ารู้ถ้าจิตใจสามารถเข้าสู่ความสงบมีแต่สักแต่ว่ารู้ได้จิตใจจะมีความสุขอย่างมากเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเห น, เนือกว่าความสุขที่ได้จากการได้เงินได้ทองมาเป็นร้อยล้านผ่านล้านได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอ ได้รับตำแหน่งต่างๆได้รับการเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้จะไม่มีอนุภาพเหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เกิดจากการบําเพ็ญสมถาภาวนาการบําเพ็ญสมะถะภาวนาก็คือการนั่งสมาธินี่เอง การนั่งสมาธินี้ก็มีวิธีนั่งหลายหลายแบบด้วยกันแต่เป้าหมายก็คืออันเดียวกันต้องการให้ใจเข้าสู่ความสงบหยุดคิดปรุงแต่งมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่ละคนก็มีเจตนิสัยที่ไม่เหมือนกันการจะนั่งทำใจให้สงบนี้จึงมีความแตกต่างกันบางคนชอบดูลมหายใจเข้าออก ก็ใช้ลมหายใจเข้าออกนี้เป็นเครื่องผูกใจให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ต้องดึงกลับมาที่ลมหายใจถ้าไม่สามารถผูกใจให้อยู่กับลมหายใจได้ก็ต้องใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแทนบริกรรมพุทธโธไปเรื่อย ไม่ต้องไม่ต้องสนใจกับลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับการบริกรรมอย่างเดียวเพราะการบริกรรมบางครั้งอาจจะต้องเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความคิดปรุงแต่งว่าคิดมากหรือคิดน้อยถ้าคิดถ้าคิดมากแล้วไปบริกรรมช้าก็จะไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้ถ้าไปใช้พุโทโธควบอยู่กับลมหายใจ ก็จะไม่สามารถบริกรรมพุทโธให้เห็วได้เพราะลมหายใจนี้จะหายใจได้ตามจังหวะของเขาถ้าเห็นว่าจาเป็นที่จะต้องใช้พุทโธให้ทีให้เร็วขึ้นก็อย่าไปสนใจกับลมหายใจเลยให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ แต่ถ้าใช้ลมกับพุโทโธควบคู่ไปกันได้และทำให้ใจนิ่งได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ก็ใช้ได้แล้วแต่จลิตของแต่ละคนแล้วแล้วแต่กาละเทศะเวลาเพราะจิตของเรานี้มันบางเวลาก็ไม่ฟุ้งซ่านมากไม่คิดมากบางเวลาก็ฟุ้งซ่านคิดมากบางเวลาให้ดูลงเฉยๆนี้จะไม่อยู่ หรือให้บริการพุทธโธก็ไม่อยู่ก็อาจจะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็สวดมนต์บทที่เราจำได้เช่นนะโมตัสสะอาหังสามาสวดไปกลับไปกลับมาไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วค่อยกลับมาดูลมหายใจต่อ เพาการดูลมหายใจนี้จะพาให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่นี่คือการทำสมาธิเรียกว่าสมถภาวนาทำเพื่ออะไรทำเพื่อความสงบทำเพื่อให้ใจนิ่งไม่คิดปุงแต่งเวลาใจคิดปุงแต่งแล้วจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความว่าวุ่นขุนมัวขึ้นมาหาความสุขไม่เจอก็เลย หลงไปหาความสุขภายนอกไปหาความสุขจากการหาเงินหาทองหาข้าวหาของก็เลยต้องไปเหนื่อยไปทุกข์ไปยากไปลำบากเพราะการหาเงินหาทองนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจะต้องเล่นลนจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆและจะต้องแข่งขันกับผู้อื่นที่ต้องการเงินทองเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราหาความสุข จากการนั่งทำใจให้สงบได้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดิ้นรนต่อสู้แข่งขันหาเงินหาทองหาข้าวหาของกับผู้อื่นและความสุขก็ต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินถ้าได้ความสุขภายในใจแล้วจะไม่อยากได้ความสุขอื่นๆอีกต่อไปจะอยากทุ่มเทเวลาทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการสร้างความสุขภายในใจให้มีมากขึ้นไปให้มีอย่างต่อเนื่องให้มีอยู่ตลอดเวลาถ้าได้ถึงไปถึงขั้นนั้นแล้วก็จะอยากจะออกบวชอยากจะไปอยู่คนเดียวอยากจะไปปฏิบัติธรรมจะเบื่อกับความสุขทางโลกความสุขของทางสังคมเพราะว่าเป็นความสุขเหมือนควันไฟ มีความสุขในขณะที่ได้ไปเสพไปสัมผัสแต่พอกลับมาบ้านก็หายไปหมดเหลือแต่ความว้าเวงอ้างว่างเปล่าเปลี่ยวทำให้ไม่สามารถอยู่บ้านได้ต้องออกไปหาความสุขภายนอกอยู่เรื่อยๆต้องริ่มนนหาเงินหาทองเพราะว่าต้องใช้เงินใช้ทองในการหาความสุขแบบนี้ ก็เลยจะมีความโลภอยากได้เงินได้ทองก็จะทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้นี่คือเรื่องของผู้ที่ไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ไม่ทำภาวนาทำจิตใจให้สงบพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนให้พวกเรามาทำบุญให้ทานกันมารักษาศีลกันแล้วมาภาวนากัน เพื่อจิตใจของเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงและเราจะได้อยู่อย่างเป็นสุขไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปทุกขกับการหาข้าวหาของหาเงินหาทองหาบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขแล้วก็ต้องมาทุกขกับการหวงแหนและมาทุกขกับการเสียเวลา เวลาสูญหายไปเวลาต้องจากไปก็จะเศร้าโศกเสียใจความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตามถึงแม่ร่างกายนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ความเจ็บของร่างกายนี้จะไม่สามารถเข้าไปลบล้างความสุขภายในใจได้เลย ทำให้เหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับผู้ที่มีความสุขมีความสงบภายในใจเวลาตายไปก็จะไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่กงังวลไม่หวาด ก, กลัวเพราะรู้ว่าอะไรตายอะไรไม่ตายสิ่งที่ตายก็คือร่างกายซึ่งเป็นเพียงเหมือนตุ๊กตาตัวหนึง่งเท่านั้นเองสนใจผู้เป็นเจ้าของตุ๊กตานั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จึงไม่มีความวิตกหวาดกลัวแต่อย่างใดตายอย่างได้อย่างสบายอยู่ก็อยู่ได้อย่างสบายไม่หวาดกลัวต่อภัยต่างๆเหมือนกับญาติโยมทุกวันนี้กำลังหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องคำทำนายว่าโลกจะแตกบ้างโลกจะเป็นอะไรไปบ้างแต่คนที่มีความสุขมีความสงบภายในใจนี้จะไม่หวั่นไหวกับคำทำนายต่างๆ จะไม่หวายกลัวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดกับใจนั่นเองเกิดแต่ร่างกายเกิดกับข้าวของเงินทองต่างๆทั้งนั้นแต่ใจที่มีความสงบนี้จะไม่เดือดร้อนกับการเกิดขึ้นกับร่างกายหรือกับข้าวของเงินทองต่างๆนี่คือบุญขั้นสูงสุดที่พระพเจ้าทรงสอน ใ ห, ให้พุทธศาสนิกชนหมั่นทากันให้มากขั้นต้นก็ให้ทำสมถะภาวนาก่อนให้จิตสงบก่อนแต่สมถะภาวนานี้จะทำให้จิตสงบได้ชั่วคราวพอออกจากความสงบแล้วจิตก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มมีอารมณ์ต่างๆตามมาถ้าอยากจะรักษาความสงบต่อไป ก็จะต้องเจริญวิปัสสนาคือต้องใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปหลงไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นมันไม่เที่ยงมันมีเกิดมีดับได้อะไรมาแล้วก็ต้องสูญเสียไปในวันข้างหน้าเวลาได้มาก็ดีใจ เวลาสูญเสียไปก็จะเศร้าโศกเสียใจสู้อยากไปเอามาดีกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับตัวเปล่าๆดีกว่าไม่มีอะไรนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่สุดยอดก็คือความว่างเปล่าของใจที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมา อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดำใจก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความทรมานใจขึ้นมานี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสอนใจอยู่เรื่อยๆเวลาใจออกมาจากสมาธิแล้วจะออกไปหาความสุขกับลาบยศสรรเสริญกับลูปเสียงกิ่นรสก็ต้องสอนว่าอย่าไป มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่ามันเป็นความสุขเพียงเดียวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มีความทุกข์ตามมาได้มาแล้วก็ดีใจเดียวเดียวแล้วต่อมาก็ต้องมาห่วงมาหวงแล้วก็มาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมีอะไรดีเพียงปัจจัยสี่ไว้ดูแลร่างกายก็พอแล้วนี่คือปัญญาที่ เราจะต้องใช้ในขณะที่เราออกมาจากสมาธิแล้วต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใจไปเห็นอะไรอยากจะได้อะไรก็ต้องบอกว่าอย่าไปเอานั่นเป็นความทุกข์เหมือนไปเอาลูกระเบิดเวลามาเดี๋ยวมันก็ระเบิดใส่เราถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาเราก็จะไม่อยากได้อะไรระเบิดเวลานี้ก็คือ ความทุกข์ที่จะระเบิดขึ้นต่อมานั่นเองถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะไม่ต้องทุกข์กับอะไรแต่ถ้าเราอยู่กับคนนั้นคนนี้เราก็จะต้องทุกข์กับเขาเช่นถ้าเร า, ามีสามีเราก็จะทุกข์กับสามีมีภรรยาเราก็จะต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็จะต้องทุกข์กับลูกมีสมบัติเข้าของเงินทองก็จะต้องทุกข์กับสมบัติเข้าของเงินทองแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่ต้องทุกข์เลย เรามีความสุขภายในใจดีกว่าเรากลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรเราก็บอกว่าเข้าไปเข้าไปทำความสงบดีกว่าแทนที่จะออกไปเที่ยวก็กลับเข้ามานั่งสมาธิดีกว่าพอจิตสงบแล้วก็จะมีความสุขกว่าที่จะออกไปเที่ยวไปหาความสุขต่างๆภายนอกนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยสอนอยู่เรื่อย สลับกับการทำสมาธิถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องทำอะไรเราก็กลับเข้ามานั่งสมาธิใหม่ทำใจให้สงบใหม่แล้วต่อไปความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเบื่อจะไม่อยากได้อะไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่อยากได้อะไรเลยเมื่อไม่อยากได้อะไรแล้วใจของเราก็จะ <c oughs> หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย พราความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากความอยากนี่อถ้าไม่อยากแล้วก็จะมีแต่ความสุขความสบายนี่คือบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำเป็นสามข้อแรกที่สำคัญแต่บุญข้อที่สี่ข้อที่หที่ตามมาก็ทำไปตามตามความจาเป็นเช่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็คือเวลาเราทาบุญแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญที่เราทำในวันนี้ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ไม่ได้ทำบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่เขาก็จะเป็นเหมือนขอทานที่จะคอยรอรับส่วนบุญที่เราจะแบ่งให้เขาไปเมื่อเราทำบุญแล้วเราก็อุทิศไปส่วนบุญที่เกิดจากการอนโมทนาก็คือเวลาเห็นผู้อื่นเขาทำบุญก็ร่วมร่วมทำบุญกับเขาไปยินดีกับเขาไปสนับสนุนเขา อย่างนี้ก็เป็นการทำบุญทำให้เกิดความสุขใจส่วนการช่วยเหลือเรื่องรับใช้ผู้อื่นก็เช่นเดียวกันเห็นผู้ใดเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากลงบากพอที่จะช่วยเหลือเขาได้รับใช้เขาได้ก็ช่วยเหลือไปอันนี้ก็เป็นบุญแล้วการทำตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็เป็นบุญเช่นเดียวกันเพราะเป็นผู้ผู้มีความอ่อนน้อมนี้จะทาให้เรามีความสุข สบายใจไม่ต้องไปไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปอวดเด่งอวดเก่งกับใครคนที่ชอบทําตัวเป็นใหญ่นี้จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะจะต้องคอยอวดอยู่เรื่อยๆจะต้องแสดงตนว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ถ้าไม่มีใครเขาเห็นด้วยก็จะโกรธแต่คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องไป ไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไปแสดงอะไรให้กับใครและคนอื่นเขาก็จะไม่หมั่นไส้เหมือนกับคนที่ชอบอวดเหมง่งอวดเกง่งดังนั้นขอให้เราพยายามทำตัวเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายแล้วก็ทำบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือการการแสดงธรรมหรือการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น ถ้าเรามีธรรมะอะไรพอที่จะแบ่งให้ผู้อื่นได้เวลาเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทางด้านจิตใจเราพอที่จะมีธรรมะสอนเขาได้ก็สอนเขาไปหรือถ้าเราไม่มีธรรมะเรามีหนังสือธรรมะก็แบ่งให้เขาไปก็ได้หรือจะร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆแจกจ่าย ใ, ให้แก่ผู้อื่นก็เป็นการทำบุญทำให้เรามีความสุขใจ บุญนิชชนิดหนึ่งก็คือการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญที่สําคัญเพราะเป็นการศึกษาแนวทางของการทําบุญนั่นเองว่าเราจะต้องทําบุญอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้เราก็อาจจะทําแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆอย่างที่คนส่วนใหญ่มักจะทํากันชอบทําบุญสะดาะเคราะห์กันทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่าการสะดะกเคราะห์นี้ ไม่สามารถสะเดาะได้เพราะเคราะห์กรรมนี้เป็นวิบากเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปถ้าอยากจะสะเดาะเคาะก็อย่าไปทำบาปแล้วต่อไปก็จะไม่มีเคราะห์กรรมตามมาถ้ายังทำบาปอยู่ต่อให้ไปทำบุญถวายสังฆทาน9วัดเคราะห์กรรมมันก็ยังไม่หมดไปเพราะเรายังสร้างสร้างเคราะห์กรรมอยู่เรื่อยๆด้วยการทำบาปนั่นเอง นี่คือการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดและจะทำให้จิตใจเรามีความสุขหายสงสัยในเรื่องต่างๆได้และจะมีอ น, นิสงส์อีกข้อหนึ่งได้บุญอีกข้อหนึ่งก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องจะเห็นว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรานี้ไม่ว่าดีหรือชั่วนี้อยู่ที่การกระทาของเรานี้เอง ก็ อ, อยู่ที่การทำบุญหรือทำบาปถ้าเราทำบุญเราก็จะได้ดีได้ดีได้ความสุขถ้าเราทำบาปเราก็จะได้แต่ความทุกข์ได้แต่ความรุนหวายใจนี่คือเรื่องของบุญทั้ง10ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำกันอยู่ให้มากๆให้มา ก, มากยิ่งกว่าการกระทำอื่นๆใดทั้งหลาย สิ่งอื่นนั้นขอให้ทำเท่าที่จำเป็นก็พอขอให้หันมาทำบุญทั้งสิบประการนี้ให้มากแล้วความสุขจะปีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจจะสงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะบรรลุถึงขั้นสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุกันก็เกิดจากการทำบุญทั้งสิบประการนี้เอง จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญทั้งสิบประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติด้วยศรัทธาด้วยวิริยะความอุตสาความภาคเพียรเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้